โลกุตระโอ้พระราชาเพื่อไม่ให้ท่านถูกทําให้วินาศฉันจะอธิบายพระสูตรในเรื่องที่นอกเหนือโลกในแบบที่มันเป็นความจริงที่อยู่นอกเหนือความเป็นคู่ทั้งหลายเรื่องอันละเอียดลึกซึ้งนี้เป็นสิ่งล้ําค่าจากพระสูตรที่อยู่นอกเหนือเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว จะเข้าใจไม่ได้ในบุคคลผู้หวาดกลัวในความนอกเหนือเหตุผลบุคคลไม่ใช่ดินน้ำลมไฟหรือความว่างมิใช่จิตและมิใช่คือทั้งหมดแล้วความเป็นบุคคลจะคืออะไรนอกไปจากนี้ความเป็นบุคคลไม่ใช่สิ่งจริงแท้แต่เกิดจากการปรุงแต่งขององค์ประกอบทั้งหก และแต่ละองค์ประกอบก็ไม่ใช่สิ่งจริงแท้เนื่องเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งเช่นกันสิ่งปรุงแต่งย่อมไม่ใช่ตัวตนมันไม่ได้อยู่ในความเป็นตัวตนและความเป็นตัวตนก็มิได้อยู่ในมันเมื่อปราศจากมันความเป็นตัวตนก็มิได้มีความเป็นตัวตน มิได้ผสมปนอยู่ในมันเหมือนกับน้ำมันและไฟดังเช่นนั้นแล้วความเป็นตัวตนจะมีอยู่ได้อย่างไรธาตุทั้งสามต่างไม่ใช่ธาตุดินพวกมันต่างไม่ได้มีอยู่ในธาตุดินธาตุดินก็ไม่ได้มีอยู่ในพวกมันแต่หากปราศจากพวกมัน ธาตุดินก็ไม่เป็นธาตุดินนี่ก็สามารถอธิบายได้ในทํานองเดียวกันในแต่ละธาตุธาตุทั้งหลายเชกเช่นตัวตนจึงไม่ได้เป็นสิ่งจริงธาตุดินน้ำลมไฟแต่ละธาตุมิได้มีอยู่โดยแก่นแท้ของมันเมื่อปราศจากอีกสามธาตุธาตุที่เหลือก็จะไม่มีเมื่อปราศจากธาตุที่หนึ่ง อีกสามาธาตุก็จะไม่มีเช่นกันหากเมื่อปราศจากอีกสามาธาตุธาตุที่เหลือก็จะไม่มีและเมื่อปราศจากาธาตุหนึ่งอีกสามาธาตุก็จะไม่มีเช่นกันดังนั้นแต่ละาธาตุจึงไม่ได้อยู่ได้โดยตัวมันเองแล้วเช่นนั้นสิ่งปรุงแต่งที่เกิดจากมันจะมีได้อย่างไร อีกอย่างหนึ่งหากแต่ละาธาตุล้วนมีอยู่โดยตัวมันเองแล้วทำไมเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงมันจึงไม่มีไฟเช่นเดียวกันทำไมเมื่อไม่มีาธาตุน้ำาธาตุลมหรือาธาตุดินจึงปราศจากการเคลื่อนไหวการขวางกัน้นหรือการยึดเกาะกันหากเรื่องของไฟเป็นกรณีธรรมดาที่รู้จักกันทั่วไป แล้วทำไมธาตุทั้งสามจึงอยู่ไม่ได้ด้วยตัวมันเองโดยปราศจากธาตุอื่นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ธาตุทั้งสามจะปรากฏโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับเหตุปัจจัยแล้วสิ่งที่ว่าอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันจะอยู่โดยต้องอาศัยกันและกันได้อย่างไรแล้วสิ่งที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง มันสามารถอยู่โดยต้องอาศัยกันและกันได้อย่างไรหากในกรณีที่มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแต่ในที่ที่มีธาตุหนึ่งอีกสามธาตุก็จะมีอยู่ดังนั้นหากมันไม่ได้ผสมปนกันมันจะไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกันและหากมันต้องผสมปนกัน มันย่อมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองธาตุไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแล้วมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวมันได้อย่างไรสิ่งที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองย่อมไม่สามารถโดดเด่นเหนือสิ่งอื่นได้คุณสมบัติเฉพาะตัวของมันจึงเป็นเพ <ti Mot> ียงสิ่งสมมุติเหตุที่กล่าวมานี้ ย่อมสามารถใช้อธิบายได้ทั้งในกรณีสีกลิ่นรสสัมผัสตาจักขุวิญญาณและรูปอวิชชากรรมและการเกิดพบชาติผู้กระทาสิ่งที่ถูกกระทาและการกระทาตัวเลขสิ่งที่ครอบครองเหตุและผลเวลาสั้นยาว และอื่นๆในทำนองเดียวกันรูปและนามก็เช่นเดียวกันความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟความยาวและสั้นและเอียดและหยาบเช่นเดียวกับกุศลและอารมณ์ต่างๆจะถูกประงับไปด้วยการตระหนักรู้ต่อความเป็นจริงความเป็นธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุลมและธาตุไฟจะไม่มีโอกาสคงอยู่เมื่อต้องเผชิญกับความตระหนักรู้เช่นนี้ที่สามารถครอบคลุมได้อย่างสมบูรณ์และไร้ขอบเขตที่นี่ความสั้นและยาวหยาบและละเอียดกุศลและอกุศลรวมทั้งรูปและนามอื่นๆทั้งหมดจะดับลง สิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏต่อความรู้สึกเนื่องจากการไม่รู้ตามความจริงจะดับลงเมื่อมีความรู้สึกตัวแบบใหม่เพราะมีความตระหนักรู้ตามความเป็นจริงปรากฏการทั้งหลายของชีวิตจะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟแห่งความตระหนักรู้มันจะสงบลงเพราะถูกเผาจนวอด โดยพลังแสงแห่งการแยกแยะที่ถูกต้องความจริงได้ถูกเปิดเผยให้แจ้งชัดในสิ่งที่เคยถูกปกคลุมไว้ด้วยอวิชชาความหลงและเมื่อความมีสิ่งใดไม่ปรากฏพบมันจะมีความไม่มีสิ่งใดได้อย่างไรเนื่องเพราะปรากฏการแห่งรูปก็เป็นเพียงนามความว่างเองก็เป็นเพียงนาม เมื่อปราศจากาธาตุรูปจะมีอยู่ได้อย่างไรดังนั้นเพียงแค่นามอย่างเดียวจึงไม่ได้มีอยู่อารมณ์ความคิดรงแต่งปัจจัยประกอบทั้งหลายความรู้สึกต่างๆก็ควรนำมาพิจารณาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับาธาตุและความเป็นตัวตนดังนั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งหกนั้น หาใช่ตัวตนไมเชกเช่นต้นกล้วยเมื่อลอกกาบมันออกทีละชั้นจนหมดภายในย่อมไม่เหลืออะไรบุคคลเมื่อลอกองค์ประกอบทั้งหลายออกย่อมไม่เหลือแก่นแท้อะไรเช่นกัน